แนะนำบทตอ่อฮาบทต่อฮาเป็นบทมักกิยาะมีหนึ่งร้อยสามสิห้าองค์การมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับบทมักกิยะบทอื่นๆโดยเน้นหนักถึงหลักการศรัทธามัน่นการให้เอกภาพการแต่งกล้งางศาสดาการฟื้นคืนชีพการชุมนุมในวันพระโลกเพื่อรับการตอบแทนบทนี้ได้เล่าเรื่องราวต่างๆภรมด า, าศาสดาเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอซูลซลลลลออะไลอะสลัมลอ เดยกล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องของการท่านนาบีมูซาและฮาลูนที่เกิดขึ้นกับฟิลิโอนผู้หญิงยะโสโอหันส่วนใหญ่ของบทกล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์การสนทนาระหว่างมูซากับพระเจ้าของเขาการใช้มูซาให้เผยแพร่าศาสนาการโต้แย้งระหว่างมูซากับฟิลิโอนการท้าทายต่อสู้ระหว่างมูซากับนักเล่นกลเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งถึงความคุ้มครองของอัลลอฮ์ที่มีต่อมูซานาบีของพระองค์และผู้ที่พระองค์ทรง ส, งสนทนากับเขาตลอดจนการที่พระองค์ทรงสังหารทำลายเหล่าศัตรูของพระองค์ที่ดื้อรั้นและเป็นอาญากรบทนี้ได้เล่าเรื่องนบีอาดัมอะัยฮิสลามโดยยอ่อคือกล่าวถึงการเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่ออาดัมภายหลังการสารภาพผิด และชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ลูกหลานของเขาโดยการแต่งตั้งบรรดาศาสนทูตเพื่อมาแจ้งข่าวดีและกล่าวเตือนประชาชาิของเขาและปล่อยพวกเขาเลือกทางเดินซึ่งมีทั้งดีและชั่วบทนี้ได้เผยให้เห็นถึงปรากฏการณ์ในวันเกียรมะด้วยสํานวนที่ทําให้จักรวาลสั่นสะเทือนและทําให้จิตใจสั่นสะท้านและขวัญกระเทิอได้เผยเห็นถึงสภาพของวันฟื้นคืนชีพที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งการชำระบาปบุญคุนโทษจะมีขึ้นด้วยความเป็นธรรมบรรดาผู้จงรักภักดีจะเดินเข้าสวนสวรรค์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำไปสู่นรกยานนัทั้งนี้เป็นการยืนยันคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ที่จะตอบแทนให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาและลงโทษแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบทนี้จบลงด้วยการชี้แนะจากพระผู้เป็นเจ้าแก่ท่านรอซูลสล ล, ล, ล, ลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม ให้อดทนต่อการทำร้ายของพวกบูชาเจวิตทั้งนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ในทางของล้องจนกว่าความเชื่เหลือของพระองค์จะมาถึงชื่อของบทนี้คือต่อหาเป็นชื่อของท่านนาบลลลีสุลต์ละหัวลายหัวสลัเนื่องเพราะท่านได้รับการต่อต้านและการทำร้ายจากบรรดาพวกบูชาเจเวิตดังนั้นบทนี้จึงเริ่มด้วยความเมตตาจากพระองค์ โดยเรียกชื่อของท่านว่าตาอหา์ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตาอหา์ตาอหา์เราไม่ได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เจ้าเพื่อให้เจ้าลำบากัลลัตันลัลัา เ ป, เป็นการตักเตือนแก่ผู้ยังเกศเป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงสร้างแผ่นดินแล้ว บรรดาชั้นฟ้าอันสูนสงส่งขุนศงกรุณาทรงสถิตอยู่บนบันลลังก์พระองค์มีกรรมสิทธิ์เหนือสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดิน พละเจ้ากล่าวเสียงดังแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งเรียนลับและสิ่งซ่อนเร้นอัลลอฮลาอิลัลลอฮฺ إلّا هو و อัลลอฮนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์นั้นทรงมีพระนามอันสวยงาม ลาาและเรื่องราวของมูสาได้มีมาถึงเจ้าบ้างไหมาาหออจมหมึงรับร่างแล้วกล่าวแก่พวกท่านว่าเมื่อเขาเห็นไฟเขาจึงกล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่า พวกท่านจงหยุดอยู่ที่นี่เพราะฉันเห็นไฟบางทีฉันจะนำพบเพลิงจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือฉันอาจจะพบผู้นำทางที่กองไฟนั้นฉันเมื่อเข้ามาถึงกองไฟนั้นมีเสียงเรียกขึ้นว่า แท้จริงค่าคือพระผู้มิบาลของเจ้าจงถอดรองเท้าทั้งสองข้างของเจ้าออกแท้จริงเจ้ากำลังอยู่หน้าภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์มีชื่อว่าตัวและข้าได้เลือกเจ้าเป็นศาสนา ฉะนั้นเจ้าจงตั้งใจฟังสิ่งที่ถูกเป็นโอกาสอินนีอัลลอฮลลลอดีวออิมิศลตลทถ้าจริงข้าคืออัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าดังนั้นเจ้าจงเคารพพักดีต่อข้าและจงปฏิบัติละหมาดเพื่อระลึกถึงข้า แท้ ت ت ت จริงวันอวสานของโลกนั้นกำลังจะมาถึงข้าปกปิดมันไว้เพื่อทุกชีวิตจะถูกตอบแทนตามที่มันได้แสวงหาไว้ดังนั้นผู้ไม่ศรัทธาต่อมันวันอวสานของโลก จะต้องไม่ทำให้เจ้าเหืนห่างจากมันและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาแล้วเจ้าจะพินาศอะไรที่อยู่ในมือขวาของเจ้าเล่ามูซาเอ๋ยเขามูซากล่าวว่ามันคือไม้เท้าของฉัน ฉันใช้ไม้สำหรับย่างและใช้มันตีพุ่มไม้เพื่อเป็นอาหารสำหรับแกะของฉันและฉันจะใช้มันในประโยชน์อื่นๆอีกพระองคัดว่าจงโยนมันไปสิโอโมซาเออเขาจึงโยนมันลงไปแล้วมันก็ได้กลายเป็นหมูลเลยคุาล รรพระองค์ตรัสว่าจงจับมันขึ้นมาและอยา่ากลัวแล้วเราจะให้มันกลับมาเป็นไม้เท้าตามสภาพก่อนของมันและจงเอามือของเจ้าสุกเข้าไปในรักแร้แล้วเอามันออกมา มันจะมีสภาพขาวประกายปราศจากอันตรายใดๆมันเป็นอีกสัญญาณนงเพื่อเราให้เจ้าเห็นบางส่วนจากสัญญาณต่างๆอั น, นยิงง่งใหญ่ของเร า, า, ราจงไปหาฟริอรอูนเพราะเขาได้ละเมิดฝ่าฝืน อู้พระผู้วิบานของฉันเพราะพระองค์ทรงโปรดเปิดอกให้แก่ฉันด้วยเถิดและทรงโปรดทำให้การงานของฉันง่ายดายแก่ฉันด้วยและทรงแก้ผมจากลิ้นของฉันด้วยเพื่อพวกเขาเข้าใจคำพูดของฉันและโปรดให้คนในครอบครัวของฉัน เป็นผู้ช่วยแก่ฉันฮารูลนพี่ชายของฉันได้โปรดให้เขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ฉันด้วยและเขามีส่วนร่วมในกิจการของฉันด้วยเพื่อเราจะได้ถวายความสรุลีต่อพระองค์ท่านอย่างมากมาย และเราจะได้รำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมากมายอนกบบรแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเห็นเราีพระองค์ตรัสว่าแน่นอนเราได้ตามคำขอของเจ้าแล้วอมุโมนัคนซาเลยและโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานแก่เจ้ามาทั้งหนึ่งแล้ว أَوْحَيْنَا إِلَىٰ ดโดยเราได้ดนใจมารดาของเจ้าถึงสิ่งที่ถูกดนใจ أَنِقْدِ فَقْدِ فَلْيُلْقِهِ فِيهِ فِي فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ التَّابُوتِ بِالسَّاحِلِ بِالسَّاحِلِ الْيَمِّ แล้ว ع ข و จ و ไปไหน ดึงรางเขาลงในหีบแล้วเอาไปปล่อยในแม่น้ำนายแล้วแม่น้ำก็ซัดเขาเข้าไปติดที่ชายฝั่งจากนั้นศัตรูของข้าและศัตรูของเขาก็จะเก็บเอาเข้าไปและข้าก็าให้ความรักจากข้าแก่เจ้า เพื่อเจ้าจะได้รับการเรียนรู้ภายใต้การดูแลของข้า ลซแล้วเมื่อพี่สาวของเจ้าเดินไปเธอได้พูดกับพวกนั้นว่าฉันจะชี้แนะผู้ที่เลี้ยงดูเขาแก่พวกท่านเอาไหมแล้วเราได้เจ้ากลับไปหามารดาของเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นขวัญตาแก่นานและไม่เศร้าโศกและเจ้าจะได้ฆ่าชายคนหนึ่ง แล้วเราจะได้ช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากความหนักใจแต่เราได้ทดสอบเจ้าด้วยการทดสอบหลายอย่างแล้วเจ้าได้ทำนักอยู่กับชาวมัจยันเป็นเวลาหลายปีภายหลยังก็ได้กลับมาตามกําหนดโอ้มูซาเอย๋ยและเราได้เลือกเจ้าเพื่อทําหน้าที่ อ, อิอ ه บ أنت เจ้าจงไปพร้อมกับพี่ชายของเจ้าพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของข้าและเจ้าทั้งสองอย่าเฉื่อยชาในการระลึกถึงข้าอิาอาฮะด า, าเจ้าทั้งสองจงไปหาฟริรูน แท้จริงเขา一所กโอหังมากแล้วเจ้าต้องสองจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่นุม่มนวลบางทีเขาอาจจะรำลึกขึ้นมาได้หรือเกิดความจำเก่งขึ้นเขาต้องสองได้กล่าวว่า โอ้พระผู้วิบาลของเราแท้จริงเรากลัวว่าหากเราเรียกร้องเข้าไปสู่การศรัทธาเขาจะล่วงเกินเราหรือเขาจะแสดงโอหังแก่เรามากยิ่งขึ้น ى, อพระองค์ตรัสว่าเจ้าทั้งสองอย่ากลัวแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองข้าจะได้ยิน เลือก <that> ้เอกาอินนรลรบบิฟาอละนานรอลวลาตอิบมกดิจนาบอายตินนับบิวสซาลามุอลามันอตตบะอัลฮุดาดังนั้นเจ้าต้องสองตรงไปหาเขาแล้วกล่าวว่าแท้จริง เราเป็นศาสนาทูตแห่งพระผู้มีพระวนของท่านดังนั้นท่านจงปล่อยวงวานอิสราเอลมากับเราเถิดและอย่าได้ทรมานพวกเขาเลยแน่นอนเราได้นำสัญญาณจากพระผู้มีพระวนของท่านมาอย่างท่านแล้วและความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอ จงมีแดดผู้ปฏิบัติตามทางนำที่ถูกต้องแน่นอนได้มีองค์การมายังเราวาดแท้จริงการลงโทษจะประสบแก่ผู้ปฏิเสธศาสนาทูตของอัลลอฮ์และหันหลังให้กับการศรัทธากล่าวา นั้นใครเล่าคือพระเจ้าของเจ้าทั้งสองโอ้มูซ า, อาบบลลเออาา ม, ม, มูซากล่าวว่าพระผู้อธิบาลของเราคือผู้ซึ่งประทานทุกสิ่งที่พระองค์สร้างแล้วพระองค์ก็ประทานทางนําที่ถูกต้องให้ข้อกล่าวว่า และสภาพของคนรุ่นก่อนๆนั้นเป็นเช่นไรออมูสบบากล่าลบบวาาาาว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันในบันทึกของโปรมพระผู้อภิบาลของฉัน จะไม่ส i, ่งผิดพลาดและไม่ส่งหลงหลือพระผู้ทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบสำหรับพวกเจ้าและทรงทำให้เป็นถนนหนทางสำหรับพวกเจ้า และทรงหลังน้ำฝนลงมาจากฟ้าฟ้ า, ฟาแล้วเราได้ให้พืชผลนานาชนิดออกมาเป็นผู้กู้พวกเจ้าจงกินและจงเลี้ยงปศุสัตว์ของพวกเจ้า ถ้าจริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณมากลายสำหรับปัญญาชนจากแผ่นดินเราได้บังเกิดพวกเจ้าและในแผ่นดินนั้นเราได้พวกเจ้ากลับคืนไปและจากแผ่นดินนั้นเราได้พวกเจ้ากลับออกใหม่ครั้งหนึง่ง นืนคอจแต่แน่นอนเราได้เขาได้เห็นสัญญาณต่างๆของเราแต่เขาได้ปฏิเสธดื้อพระกล่าวว่าเจ้ามาหาเราเพื่อจะเอาเราออกจากแผ่นดินของเราด้วยเล่กล ข, ของเจ้ากระนั้นหรือ ฟเอตมนงเลาเูอดัาัาแต์านัดังนั้นเราก็จะนำมาซึ่งเลขก น, นั้นแก่เจ้าเช่นเดียวกันฉะนั้นเจ้าจงกำหนดขึ้นระหว่างเรากับเจ้าณนะสถานที่โล่งแห่งหนึ่งโดยที่เราจะไม่ผิดสัญญา และยละ ม, ม, uh sh sh ah. มซากล่าวว่ากำหนดวันของพวกเจ้าคือวันรื่นเริงโดยให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมจะนในตอนสายเให้ฝรุนได้กลับออกไปเพื่อไปร่วมมือกันวางแผนการของพวกเขาแล้วได้มาอย่างที่นัดหมาย าว่ล่มเส้ยแล้คุม่ตอาะกเรื่อควมิอคุมสาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าความหานะจงประสบแก่พวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้เสกสรรปั้นแต่งความมุษาแก่เราเลยมิฉะนั้นพระองค์จะทรงทำลายพวกเจ้าด้วยการลงโทษและแน่นอนผู้ปั้นแต่งการมุษานั้น พวกเขาได้โต้แย้งกันเองในเรื่องของพวกเขาและได้มีการพูดกันอย่างลับๆพวกเขาิลได้โต้แย้งกันเองในเรื่องของพวกเขาและได้มีการพูดกันอย่าุลัลๆ พวกเขากล่าวว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นนักมายาคนอย่างแน่นอนต้องการที่จะเอาพวกเจ้าออกจากแผ่นดินของพวกเจ้าเวเลกุลของเขาทั้งสองและต้องการจะลบล้างขนบธรรมเนียมอดีงามของพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าจงรวบรวมแผนการทั้งหมดของพวกเจ้า แล้วเดินออกมาเป็นแถวและวันนี้ผู้ใดเหนือกว่าก็จะรับชัยชนะอย่างแ น, น, น, าา น, น, น่นอนพวกเขากล่าวว่าโอมูซาเอ๋ยท่านจะเป็นผู้โยนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้โยนก่อนอูล้ลขบลอาวว ฟ้ด่าพิบลอวาและ عص ิของพขาจะินตนาการถสิ่งที่พวันว่ามันจะเกิดากล่าวว่าแต่ว่าพวกท่านจงโดนก่อนเถิดแน้วปัดนั้นเชือกและไม้เท้าของพวกเขาดูประหนึ่งว่ามันเลื้อยคลานไปมาเพราะเล่ห์กลของพวกเขา إن أن มูซาจึงรู้สึกกลัวขึ้นในตัวของเขาเรากล่าวว่าเจ้าอย่ากลัวแท้จริงเจ้าอยู่ในสภาพที่เหนือกว่า อและเจ้าจงโยนสิ่งที่อยู่ในมือขวาของเจ้ามันจะกลืนสิ่งที่พวกเขาทําขึ้นแท้จริงสิ่งที่พวกเขาทําขึ้นเป็นแผนของนักมายากลและนักมายากล น, นั้นจะไม่ประสบกับความสําเร็จไม่ว่าเขาจะมาจากทางไหนก็ตาม แต่หนุ่กมายาคนได้ก้มลงกราบโดยกล่าวว่าเราขอสรัทาต่อพระผู้พิบาลของฮารุและมูซาแล้วอ่านบทสวดมนต์อีกบทหนึ่งว่า إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه و ل ص ل ب َ ن ك م في جذوع النخل ولتعلم أن أيونا أ ش ّ ع ذ ا ب ا وأبقا خوفراً <تصفيق> พวกเจ้าศรัทธาต่อเขาก่อนที่ฉันจะอนุญาตแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงเขาต้องการเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าซึ่งได้สอนวิชาม า, ายากลแก่พวกเจ้าฉะนั้นฉันจะตัดมือและเท้าของพวกเจ้าสลับข้างกันและฉันจะเอาพวกเจ้าไปเพลึงไว้ที่ต้นอินทพลัและพวกเจ้าก็จะรู้อย่างแน่ชัดว่าผู้ใ ด, ดในหมู่พวกเราที่จะลงโทษที่รุนแรงกว่าและคงผลยิ่งกว่า พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่เธอทูนท่านมากกว่าหลักฐานอันชัดแจ้งที่ได้มาอย่างเรา ขอสาบานต่อพระผู้บังเกิดเราท่านจงทำตามสิ่งที่ท่านต้องการจะกระทำเถิดแท้จริงท่านจะกระทำได้ในชีวิตแห่งโลกนี้เท่านั้แนแท้จริ เราได้ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของเราเพื่อพระองค์จะได้ทรงอภัยความผิดต่างๆของเราให้แก่เราและทรงอภัยให้ในสิ่งที่ท่านบังคับเราให้กระทำเกี่ยวกับเรื่องมายาพวกเหล้านั้นทรงเป็นผู้ดียิ่งและทรงยั่งยืนตลอดไป。 ฟ้อินนล له จฮนมาล้วยมุต์หวะละยยความจริงนั้นผู้ใดมาหาพระผู้บานของเขาในสภาพของผู้ที่กระทำความผิดแน่นอนเขาจะได้นรกเป็นการตอบแทนโดยที่เขาจะไม่ตายและไม่เป็นในนั้น คืออยู่อย่างทรมานเป็นที่สุดแล้ะผู้ใดามาหาปรงโดยเป็นผู้ศรัทธาเขาได้กระทำความดีต่างๆเอาไว้ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะมีตำแหน่งอันสูงส่ง นน ها, วสวนสวรรค์อันสถาพร น, นะเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือการตอบแทนสำหรับผู้ขัดเกลา่ตนเองให้พ้นจากความชั่ว และแนนเราได้ให้องค์การแก่มูสาว่าจงนำพวงบ่าของข้าเดินทางในเวลาตอนคืนแล้วจงฟาดไม้เท้าลงในทะเลให้เป็นทางเดินแห้งแก่พวกเขา เจ้า่าได้กลัวว่าจะถูกตามนาและเจ้าอย่าได้กลัวจมน้ำฟอับะ์มฟรอูน์กัจุนูดฟะชยฮมมินลมมิมชยฮมะอัลลิูน้ามฮวะมาฮดาฟรอูนพร้อมด้วยไพร่พลของเขาได้ตามมาทันพวกเขาแล้วน้ำจากทะเลได้ท่วมทำให้พวกเขานั้นจมน้ำตายแต่ฟุรอูนทำให้กลุ่มชนของเขาหลงผิด แและไไม่่ด้้้ชีีนนนททางงหถูกตอใโอ้วงวานของอิสราเอลเอ๋ยแน่นอนเราได้ช่วยพวกเจ้ารอดพ้นจากศัตรู ข, ของพวกเจ้าแล้ว แล้วเราได้สัญญากับพวกเจ้าทางด้านขวาของภูเขาตรุดและเราได้ประทานอาหารหวานและนกคุ้มให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงกินจากสิ่งที่ดีทั้งหลายที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยัางชิพแก่พวกเจ้า และพวกเจ้าจะได้ฝ่าฝืนมิฉะนั้นความเกี้ยวของข้าจะเกิดขึ้นกัพวกเจ้าและผู้ใดที่ความเกี้ยวของข้าเกิดขึ้นแก่เขาแน่นอนเขาจะประสบกับความพินาวาตศและแท้จริงข้าเป็นผู้อภัยอย่างเหลือล้นแก่ผู้ที่ขออภัยโทษ และศรัทธาและประกอบความดีแล้วยึดมั่นอยู่ในทางนำที่ถูกต้องและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารีบเร่งออกไปจากกลุ่มชนของเจ้าโอ้มูซาเอ่ยขามูซากล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นตามหลังฉันมาอยู่แล้ว แต่ฉันได้รีบเร่งออกมาอย่างพระองค์ท่านนั้นโอ้พระผู้บาลของฉันพอเพื่อพระองค์ทรงพอพระทัยเท่านั้นพระองค์ตรัสว่าแท้จริงเราได้ทดสอบกลุ่มชนของเจ้าหลังจากที่เจ้าได้จากมาและซาเมรีก็ได้ทำให้พวกเขาหลงทาง Blue ฟะร์จามูซ่าอ pues ิล่าข้าม <Kaiser Gaz> <Arena> ิฮ <quoted disagree> ิร <influence> ั <que ues exist> َ ب ن ا س ิฟาข้าเลย์ข้ามิฮ ع อัลมิย์َ์อัลกุมรับกุมว่าดัลฮัสนาลอัฟะข้าเลย์ข้ามิฮิอัลกุมَัลฮะดุัมอัรดั م ไอَ์َัพิِّ้าเลย์ข้ามิฮิรับบุมรัดีมูซาได้กลับไปยังกลุ่มชนของเขาด้วยความโกรธเสียใจเขากล่าวว่า กลุ่มชนของฉันเอ๋ยพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าไม่ได้ส่งสัญญากับพวกเจ้าด้วยสัญญาที่ดีหรือคำมั่นสัญญานั้นนานเกินไปสำหรับพวกเจ้ากระนั้นหรือหรือว่าพวกเจ้าประสงค์ที่จะให้ความเกลียวโกรธจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า <تصفيق> قالوا لا أخلصنا ََ موعدك ََ ب ِ ن َ ل ِ ن ا ولكننا حملنا أوزارا ً من زينة ِ القوم َ ولكننا ح م ْ ن ا أوزارا من زينة القوم, القوم فقذفناها فكذلك ا ل ق س ا م ِ ر ي พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้บิดพลิวสัญญาของท่านตามความสมัครใจของเขาดอกแต่ว่าเราต้องแบกน้ำหนักเครื่องประดับของพักพวกอย่างมากมายเราจึงโยนมันลงไปในกองไฟเช่นเดียวกันสามีก็ได้โยนมันลงไปด้วย แล้วสมิริกก็ได้ทำลูกบัวออกมาเป็นรูปร่างมีเสียงรองพวกเขาจริงกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของพวกเจ้าและพระเจ้าของหมูสาแต่เขาลืมเสียง ول พวกเขาไม่รู้ดอกรู้ว่ามันไม่อาจจะให้คำตอบแก่พวกเขาและมันไม่สา ม, มารถจะให้โทษไล่คุณแก่พวกเขาเลย และโดยแน่นอนฮารุนได้กล่าวแก่พวกเขาก่อนแล้วว่าโอ้กลุ่ชนของฉันเอ๋ยถ้าจริงพวกเจ้าถูกทดสอบให้หลงเสียแล้วและถ้าจริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นคือพระผู้ทรงกรุณาดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามฉัน และจงเชี่วฟังคำสั่งของฉันเถิดพวกเขากล่าวว่าเรายังคงบูชามันโดยจะเคารพพักดีต่อมันจนกว่ามูซาจะกลับมาหาพวกเรากาลาวารามับามันโดยะเรพพติกรรมตอันจามะซาจะกลับมาหาพรี เมื่อมูซากลับมาแล้วเขากล่าวว่าโอฮารูนเอย๋ยอะไรเล่าที่ยับยั้งท่านไว้เมื่อท่านเห็นพวกเขาหลงผิดทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัติตามฉันท่านฝ่าฝืนคำสั่งของฉันกระ น, น, นัะะ้นหรือ ฮนนารุนกล่าวว่าโอ้ลูกของแม่ฉันเอ๋ยอย่าดึงคราวและศรีรษะของฉันสิแท้จริงฉันกลัวว่าท่านจะกล่าวแก่ฉันว่าท่านได้ก่อการแตกแยกขึ้นในหมู่วงวานของอิสราเอลและท่านไม่คอยฟังคำสั่งของฉัน มูซ่ากล่าวว่าเจ้าต้องการอะไรโอ้าายดรวินนมอคะ้เเขากล่าวว่าฉันเห็นในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็น คือเห็นยิบรออินที่แปลงร่างลงมาดังนั้นฉันจึงกำเอาดินฝุ่นกอบหนึ่งจากกอยเท้าของรอซูลหมายถึงยิบรออินแล้วฉันได้โยนมันลงไปที่ลูกวัวที่ทำขึ้นและเช่นนั้นแหละจิตใจของฉันก็ได้เห็นดีเห็นงามไปด้วยลวิตู وإن لك موعدا لن تخلفه و ُ ر ْ إلى إ ل ِ ال ال ال ك الذي ظلت عليه عاكفا لنُحرز قَنَّهُ ثُمَّ ل ن َ ن, ن, ن س ِ ف َ ن َ ه ُ في ل ي َ م من ا ل س َّ ع َِมูซ่ากล่าวว่าท่านจงออกไปถ้าจริงสำหรับท่านในชีวิตนี้จะได้รับการลงโทษ เบอท่านกล่าวว่าย่มาแต่ต้องฉันถ้าจริงสําหรับท่านมีสัญญาลงโทษอย่างในพระโลกท่านจะไม่ถูกทําให้ผิดสัญญาและจงดูพระเจ้าของท่านที่ท่านเคารพบูชามันแน่นอนเราจะเผามันโดยเราจะโปรยมันลงไปในทะเลให้กระจายอินนัมัลลอห์มุลลอฮุอลเลดีล ในในแทจงพระผัวดิบาลของเจ้านั้นคืออัลลอ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงแผ่ความรอบรู้ไปอย่างทุกสิง่งคดากุสอลัยมินอับาอิมาดซบตะัดนตีนัมินลาดุมนลิกรานดีละ เราได้บอกเล่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นแต่ปอนการแก่เจ้าและแน่นอนเราได้ข้อเตือนสติจากเราแก่เจ้าผู้ไดหันหลังให้อัลกุอานแท้จริงเขาจะแบกโทษหนักในวันพาราโลกผู้ไดหันหลังให้อัลกุรอานแท้จริงเขาจะแบกโทษหนักในวันพาราโลก โดยพวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดไปและช่างเป็นการแบกที่เลวร้ายสำหรับพวกเขาในวันพระโลคเสียนี่ครับวันที่สังจะถูกเป่าและในวันนั้นเราจะต้อนนักโทษทั้งหลายที่มีตาสีฟ้าไว้ด้ยวยกันอยาะาตุนเบนนุมอิลลบิทุมอิลลาอชรา พวกเขาจะกระซิบกระซาบระว่างกันว่าพวกเจ้าไม่ได้คำนักอยู่ในโลกนี้นอกจากเพียงสิบวันเท่านั้นเรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากล่าวกันเมื่อผู้มีความคิดที่ดียิ่งกล่าวว่า พวกเจ้าไม่ได้คำนับอยู่นอกจากเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับภูเขาจงกล่าวเกิดมูฮัมมัด ว่าพระพวกพิบาลของฉันจะทรงทำให้มันแปลกออกเป็นผุยผวกขดจะทรงปลอยให้มันเป็นที่ราบโล่งเปลี่ยนแล้เจอทาให้ว่วาเจลอําจะเจ้าจะไม่เห็นที่นั้นที่ลุ่มและที่ดอดเยียวม่อิดียจะดี الد ยียวนาได้ลว่าเจล วันนั้นพวกเขาจะติดตามผู้เรียกร้องไปโดยไม่มีการอิดเอื่อนแต่ประการใดเสียงทั้งหลายก็จะลดค่อยลงต่อพระผู้ทรงกรุณา เจ้าจะไม่ด้ยินเสียงใดนอกจากเสียงแผ่วเบาอย์วันนั้นการชัางจะไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญาตแก่เขา และพระองค์ทรงพอพระทัยในคําพูดของเขาเท่านั้นยมม ي ي บพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเขาแต่ความรู้ของพวกเขาไม่อาจจะครอบคลุมความรู้ของพระองค์ได้กิวยย ละเบ น, น่าทั้งหลายได้สยบลงต่อพระผู้ทรงเป็นอยู่เสมอพระผู้ทรงอมะตะและแน่นอนผู้ที่แบกความอาธรรมไว้คือการตั้งพาทีต่อรนั้นต้องประสบกับการขาดทุนอย่างแน่นอน และผู้ใดปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเขาจะไม่กลัวการอาธรรมและการบันทอนใดๆและเช่นนั้นแหละเราได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เขาเป็นภาษาอาหรับแลาเราได้กล่าวซ้ำในนั้นถึงข้อตัเกเตือน หวังว่าพวกเขาจะมีความยำเกรงหรือเกิดข้อเตือนใจแก่พวกเขาดังนั้นอัลลอฮคือพระผู้ทรงสูงทรงยิ่งผู้ทรงอำนาจอันแพ้จริงและเจ้าอย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอาน และก่อนที่องค์การของพระองค์จะจบลงแต่จงกล่าวเถิดโอ้พระผู้ยิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มภูมความรู้แก่ฉันด้วยและโดยแน่นอนเราได้คำมั่นสัญญาแก่อดัมและก่อนการแต่เขาได้ลืม และเราไม่พบความมั่นใจในตัวเขาเมื่อเราเกล่าวแก่บรรดา ม, มาลากาว่าจงคารวะแก่อาดัมพวกเขาได้คารวะนอกจากอิบลิสเพราะมันได้ดืด้อ ا آ แล้วเราได้กล่าวว่าโอ้อาดัมเอ๋ยแท้จริงนี่คือศัตรูของเจ้าและภริยาของเจ้าดังนั้นอย่าให้มันทำให้เจ้าทั้งสองออกจากสวนสวรรค์ แล้วเจ้าจะได้รับความลำบากอินนลเกอัลลาตจูอฟฮะวะลาตอรอวะอัลมลาตบมะฟฟฮะวะลาตับฮทิงในสวนสวรรค์นั้นเจ้าจะไม่หิวและไม่ต้องเปลืองกายและแท้จริงในสวนสวรรค์นั้นเจ้าจะไม่กระหายน้าและจะไม่ต า, ากาแะะาดดาวสุอัยชัยาลย ดต่อมาัยตอนมันร้ายได้กระซิบกระซาบเขามันกล่าวบอกว่าอูอาดดัมเอ๋ยฉันจะชี้แนะแก่เจ้าถึงต้นไม้ที่อยู่เป็นนิรตลอดกาลและการมีอำนาจที่ไม่สูญสลายเอาไหม ق ى ي ق แต่นั้นเขาทั้งสองจึงกินจากต้นไม้นั้นสิ่งพืงสวนของทั้งสองจึงถูกเผยออกมาเขาทั้งสองนั้นจึงเริ่มเอาใบไม้ในสวนนั้น ปกปิดบนตัวของเขาทั้งสองและอาดามได้ฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของเขาเขาจึงหลงผิดภายหลังพระผู้อภิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขาและทรงอภัยโทษให้แก่เขา และสรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่เขาอาลบิคว า, า, า م พระองค์ตรัสว่าเจ้าทั้งสองจงออกไปจากสวนสวรรค์ทั้งหมดโดยลูกหลานบางคนในหมู่พวกเจ้า เมื่สตรูกับอีกบางคนบางที่เมื่อมีคําแนะนําจากข้ามายังพวกเจ้าดังนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของข้าเขาก็จะไม่หลงผิดและจะไม่รับความลําบากเพราบนั้น اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه في ا ع م และผู้ใ ด, ดผินหลังให้โดยไม่รำลึกถึงข่าแท้จริงสำหรับเขาคือการมีชมีวิตอยู่อย่างคับแขมและเราจะต้อนเขาไปในวันพระโลกในสภาพที่ตาบอกทกกล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันทำไมพระองค์ท่าน จึงต้นฉันมาในสภาพของคนที่ตาบอดเล่าทั้งๆที่ฉันเคยเป็นคนตาดีและมองเห็นพรุ่งถัดว่าเช่นนั้นแหละเมื่อองค์การทั้งหลายของเราได้มาอย่างเจ้าเจ้าก็ทำเป็นลืมมันและในทํานองเดียวกัน วันนี้เจจาก็ะถูลและเช่นเดียวกันเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่ล่วงละเมิดขอบเขตและไม่ศรัทธาต่อบรร ด, ดาองค์การของพระผู้อภิบาลของเขาและแน่นอนการลงโทษในประโลกนั้นสาหัสยิง่งและยาวนานยิง่ง ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาเดอกหรือ ว, ว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาหลายศตวรรษโดยที่พวกเขาได้พบเห็นมา ในที่พมนักอาศัยขอพวกเขาแท้จริงในการลงโทษเช่นนั้นแหละเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้มีสติปัญญาทั้งหลายและหากไม่ใช่ลิขิต จ, จากพระผู้อภิบาลของเจ้าถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วแน่นอนการลงโทษก็จะเกิดขึ้นทันทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ل ل แต่นั่นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแท่สองสรดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้า ก่อนดวงอาทิตขึ้นและก่อนดวงอาทิตลับลงไปและส่วนหนึ่งจากเวลากลางคืนก็จงงแส่สองสัตวดีและปลายช่วงของกลางวันเพื่อเจ้าจะได้พอวลผ่อนอาอใจ และเจ้าอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่างๆของพวกปฏิเสธซึ่งความสุขความสำราญในโลกนี้เพื่อที่เราจะได้ทดสอบเขาในการนี้และการตอบแทนของพระผู้อวยบานของเจ้านั้นดียิ่งกว่าและจีรังยิ่งกว่า ล ت ت และเจ้าจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดและจงอดทนในการปฏิบัติละหมาดเราไม่ได้ขอเครื่องย่างชีพจากเจ้าเราต่างหากที่เป็นผู้ให้เครื่องย่างชีพแก่เจ้าและบ้นปลายที่ดีนั้น เป็นขอ ง, งแล้วพวกเขาล่ะวว่าทำไมเขาจึงไม่นำสัญญาณหนึ่งจากพระผู้พริบาลของเขามาให้เราหรือว่าหลักฐานอันชัดแจ้งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆสมัยก่อนนั้นไม่ได้มาอย่างพวกเขาดอกหรือ ولو أن أهلتنا بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذبل ونخز إذا เราทำลายพวกเขาด้วยการลงโทษก่อนการให้อัลกุรอานลงมาแน่นอนพวกเขาก็กล่าวว่า โอ้พระผู้อิบาลของเราทำไมพระองค์ท่านจึงไม่ส่งสาศาสนาทูตมาอย่างพวกเราเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามองการของพระองค์ท่านก่อนที่เราจะได้รับความตำต้อยและความอับอา้จงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าทุกคนเป็นผู้พลอยดังนั้นพวกเจ้าจงคอยเถิดและพวกเจ้าจะได้รู้ว่าใครคือพวกที่อยู่ในแนวทางที่เที่งตรงและใครคือผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง